แต่ถ้าสุกล้ครับมาดูสุตรกิริสูตรนะครับจริงอยู่พระสูตรนี้พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสแล้วพระสูตรนี้พระผู้มีพระภาคเจ้าผู้เป็นพระอระหันตรัสแล้วเพราะเหตุ น, นั้นข้าพเจ้าได้สดับมาแล้วว่าดูก่อนพิสูจน์ทั้งหลายสุตรกิริตรสามอย่างนี้สามอย่างเป็นชนคือกายสุจริริสูตวจีสุจริริสูตรมโนุสูตริตดูก่อนพิสูจนทั้งหลายสุจริตรสามอย่างนี้แหล พระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสเนื้อความนี้แล้วในพระสูตรนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสคาถาประพันธ์ดังนี้ว่าบุคคลผู้มีปัญญาละกายทุจริตวจีทุจริตมโนทุจริตและไม่กระทําอกุศลกรรมอย่างอื่นอันประกอบด้วยโทษกระทํากุศลกรรมเป็นอันมากเมื่อตายไปย่อมเข้าถึงสวรรค์นะครับอันนี้ไปดีแน่นะครับถ้าหากว่าประพฤติความดีทางกายทางวาจาและทางใจ อัตถกถาทีบายว่าความประพฤติดีหรือความประพฤติงามชื่อว่าสุจริตนะครับความประพฤติดีด้วยกายหรือความประพฤติดีที่เป็นไปแล้วทางกายชื่อว่ากายะสุจริตนะครับถ้าวจีสุจริตก็คือความประพฤติดีด้วยวาจาหรือความประพฤติดีที่เป็นไปแล้วทางวาจาก็เรียกว่าวจีสุจริตนั่นเองส่วนมนุษสุจริตก็ในยานเดียวกัน ก็แม้ในพระสูตรนี้มีกล่าวถึงสองอย่างเหมือนกันด้วยสา ม, มารถแห่งพระบัญญัติคือวินัยบัญญัตินะนะและด้วยสา ม, มารถแห่งกรรมบทการไม่ละเมิดสิกขาบทที่ทรงบัญญัติไว้แล้วทางกายทวารชื่อว่ากายสุจิริทนะครับสำรวมระวังไม่ให้ละเมิดนะนะการไม่ละเมิดสิกขาบทที่ทรงบัญญัติไว้แล้วทางวจีทวารชื่อว่าเป็นวจีสุจริต การไม่ละเมิดสิกขาบทที่ทรงบัญญัติไว้แล้วทั้งสองทวารชื่อว่าเป็นมนโนสุจริตเพราะฉะนั้นบรรดากถาทั้งสองอย่างนั้นนี้เป็นบัญญัติกรถานะครับคือมายกเอาพระวินัยบัญญัติมานะส่วนเจตนาบ้างวิรตีบ้างหรือวิรัตนะครับบ้างสาอย่างนะวิรตีนี้มี3นะครับที่เกิดแล้วแก่บุคคลผู้งดเว้นจากปาณาติบาตเป็นต้นชื่อว่ากายสุจริต เจตนาบ้างวิรัติบ้างสี่อย่างที่เกิดแก่ผู้เว้นจากมุสาวาทเป็นต้นชื่อว่าเป็นวจีสุจริตธรรมะที่สัมปยุทธ์ด้วยเจตนาสามอย่างคืออนัพิชาอัพยาบาสัมมาทิฏฐิเป็นมโนสุจริตนี้แลคือการกล่าวตามจำมาบทที่เหลืองง่ายทั้งนั้นนะครับเพราะฉะนั้นถ้าจากสรุปในสูตรนี้นะครับถ้าเป็นพระภิกษุก็ประพฤต ปฏิบัติตามศีขาบทที่พระผู้มีพระภาคทรงแสดงอย่างบริบูรณ์ทั้งทางกายทางวาจาและก็ทางใจเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าอยู่ในศีลที่บริบูรณ์นะครับสุขคติก็หวังได้จริงๆนะครับส่วนคารวะทั้งหลายก็กรรมบดนั่นเองนะครับถ้าหากว่ามีการประพฤติปฏิบัติในกุศลกรรมบดอย่างบริบูรณ์เมื่อตาายไปก็เข้าถึงสุขคติโลกสวรรค์นะครับเพราะฉะนั้นกรรมบดนี้มีความสําคัญมากนะครับสําหรับคารวะทั้งหลายนะ เพราะฉะนั้นว่าสุขคติทุกคตินี้เป็นเรื่องเฉพาะตัวจริงๆหลายคนอาจจะต้องบอกว่าทําชั่วเพราะเหตุแห่งครอบครัวเป็นต้นทําชั่วเพราะเหตุแห่งบุตรและพันยาหรือว่าเพราะเหตุอย่างใดอย่างหนึ่งก็ตามแต่ว่าผลแห่งความชั่วเหล่านั้นต้องรับด้วยตัวของตัวเองครันใครที่จะทําชั่วเพื่อบุคคลใดบุคคลหนึ่งก็ควรใคร่ครวนให้ดีเสียก่อนนะครับจึงค่อยทำํำนะถ้าหากว่ามั่นใจว่าฉันจะสวยทุกอันนี้ด้วยมือของฉันเองก็ตามใจ แต่ถ้าหากว่าโอ้โหนี่เราจะทําเพื่อคนนั้นเพื่อคนนี้ไม่รู้เขาจะน้าหนึ่งใจเดียวเรากับเราหรือเปล่าไม่รู้โอ้โหไปทําบาปเพื่อเขานะครับถ้าบาปมันให้ผลเนี่ยนะเขาจะเอาด้วยกับเราหรือเปล่าอาณนาะชาตินี้เนี่ยนะครับเขาเอาด้วยกับเราเนี่ยนะครับเพราะเราเลี้ยงดูใช่ไหมชาติหน้าบาปทําให้เราเป็นมหาทุกขตาเนี่ยเขาจะมาสนใจเราหรือเปล่านคะครับเพราะบาปที่ทำเนี่ยใครเป็นคนรับเอาก็รับเองเพราะฉะนั้นก็ควรใคร้ครวญให้ดีเสียก่อนแล้วค่อยทํา นะครับในทางกายทวารแล้วก็ค่อยพูดทางวาจีทวารแล้วก็ค่อยนึกคิดทางมโนทวานนะครับเพรา ะ, ะนั้นกรรมแต่ละกรรมที่ได้รับการใคร่ครวนดีแล้วก็จะพ้นจากโทษนะครับแต่ผู้ที่ไม่ใคร่ครวถึงว่าเออกรรมที่ทําไปเนี่ยนะมันมีผลในภพนี้อย่างไรมีผลในภพหน้าเป็นต้นเป็นไปอย่างไรถ้าหากว่าขาดการใคร่ครวต น, นะครับวันหลังก็จะโอดครวนนะครับโอหทูกเนาะทูกเนาะค่ะเนี่ย